โทษให้แกโจรทุกๆคนขอให้โจรทั้งหลายกลับคืนสู่บ้านเรือนของตนและประกอบสมาอาชีพต่อไปเป็นปกติสุขบรรดานักโทษที่จัดไว้เป็นต่วประกันก็จะปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์เพราะอาศัยท่านแท้ๆเราจึงรอดพ้นจากความหายยะนะบัดนี้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วขอนีมนท่านอยู่เป็นที่พึ่งแก่เราที่พระเวรุวนารามนี้ต่อไปเถอะสงครามของท่านอาจจะยุติลงแล้วแต่สงครามของอาตมายังไม่ยุติอาตมาจะต้องสู้รบขับเคี้ยวกับข้าศึกภายใน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 ท่านถึงหลายท่าฮักพระสมณะโคโดมดีจริงแล้วท่นไหนจึงไม่สามารถทรมานพระเทวทัตผู้เป็นสาวกและยาสดิทของพระองค์เองให้เป็นคนดีหากรัทธิของพระสมณะโคโดมดีจริงแล้วทําไมไม่สามารถเปลี่ยนใจอัญญาบชาของพระเทวทัตผู้อุปสมบทมานานให้กลับดีได้ ไม่ใช่พระเทวทัตหรอกเหรอเจ้าชายอาชาศัตรูจึงจับพระชนกปรงพระชนและํำภัยพิบัติมาโจมมกขรลักและพระเทวทัตนั้นก็ใครซักอีกละ่ะถ้าไม่ใช่จาวบกขนสนิตที่ได้รับการบรรพชาบทสมบทมาจากสำนักของพระสมณะโคดมโดยตรงอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลาย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 ทุจนทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าวันนี้การโต้ ว, วัตีครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสาวกของพระสมณโคดมและสาวกของพระศาสดามหาวีระจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการโต ว, วัตีคราวนี้จะเป็นไปในรูปของการสนทนาโต้ตอบให้ฝ่ายหนึ่งถามขึ้นก่อนและให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบเป็นสกาวัตีและปราวัตีถ้าฝ่ายสกาวัตีไม่พอใจต่อคําตอบของฝ่ายปราวัที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 ย้อนก่อนย้อนก่อนก่อนไม่ จนทั้งหลายรดอย่าลืมว่าที่การวีระศรีหาพูดนี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นเม่ไม่มีใครเห็นด้วยเราจะหาทางอื่นต่อไปเพื่อการตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุดข้าพเจ้าใครขอฟังความเห็นจากท่านเลวตะว่าจใจใครเป็นผู้ตัดสินในการต่อวาทีคราวนี้ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวีระสีหะหมายความว่าท่านให้มี<ต>ประธานตัดสินคนเดียวอและประธานคนเดียวนั้น จะเป็นฝ่ายนิคารนก็ได้ฝ่ายพุทธก็ได้ฝ่ายคนกลางก็ได้แต่เนื่องจากสถานที่นี้เป็นสำนักของฝ่ายนิคารนและนิคารนเป็นผู้จัดให้มีการโต้วาทีครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าประธานตัดสินชี้ขาดนั้นควรจะเป็นนิคารน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 พระเทวทัตได้คบคิดกับพระเจ้าอชาชาจัตรูยุโยงให้พลังพระชนพระราชาเทบดาพิมพิสารใช่หรือไม่ใช่พระเทวทัตได้สมคบกับพระเจ้าอชาชาจัตรูให้ปล่อยทางนาราคิรีไปสังหารพระสมนะโคดมได้จ้างนายกรหมังธนูไปยิงพระสมนะโคดมและไปีนขึ้นไปบนยอดเขาขึจกูดกลิ้งก้อนหินลงมา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 พระเทวทัตเป็นคนทั่วชาเร็วสามมีจิตสันดานเต็มไปด้วยกิเลสใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญนึกหลายเมื่อข้าวเจ้าถามว่าพระเทวทัตเป็นคนทั่วชาก็ได้ถามว่าพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระสมณโคดมเป็นผู้ออกบรรพชา และปฏิบัติอยู่ในสำนักพระสมณโคโดมมาเป็นเวลานา น, านก็ดีพระเรวัตก็ตอบรับว่าเป็นความจริงทุกขอ้อเมื่อเป็นเช่นนี้วิญยูชนทั้งหลายย่อมจะเห็นพ้องต้องกันกับข้าพเจ้าว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมณโคโดมนัน้นเป็นสิ่งไร้ผลเพราะไม่สามารถทําคนทั่วให้เป็นคนดีได้ ท่านนี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านรู้เห็นยังไงคอยตอบอย่างนั้นท่านผูเนเนน้เป็นประทานท่านก็ได้ฟังแล้วว่าพราะเรวัตได้ตอบรับเป็นความจริง ตามท er ี os os gen. Gen ่ข้าพเจ้าถามทุกประการสมควรที่ข้าพเจ้าจะได้รับอคะแนนในตอนแรกนี้แล้วอยากยังไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ได้ไมตอบนะมัดมือชกแต่ปรเดี๋ยวก่อนท่านประธานท่านได้คะแนนตอนนี้ยังไม่ได้ราอะไรเลบะตเพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ตอบโต้ประเด็นของท่านวีรศรีฮะประเด็นสําคัญของท่านผู้ถามอยู่ที่ว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผล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 ท่านเองพูดไว้ตอนต้นแล้วว่าถ้าฝ่ายตอบยอมรับว่าจริงทาี่ฝ่ายถามสักถามฝ่ายถามยอมได้หนึ่งคะแนนท่านเองก็ยอมรับแล้วว่าพระเทวทัตเป็นคนชั่วเป็นผู้ปลงร้ายพระชมณะโคดมเป็นผู้ยุยงพระเจ้าอาชาศัตรูกระทำปิตุขาตเป็นผู้กระทาสังฆเภทท่านยอมรับแล้วเช่นนี้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 เขาไม่สามารถทําคนชั่วให้เป็นคนดีได้นี่คือประเด็นสําคัญของเรื่องที่ท่านเสนอขึ้นมาข้าพเจ้าต้องแก้ประเด็นนี้ให้ตกแต่ข้าพเจ้าแก้ไม่ตกท่านจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนแต่ถ้าข้าพเจ้าแก้ตกก็ไม่มีฝ่ายใดได้คะแนนเป็นอันว่าเสมอกันไปการให้คะแนนควรถือการแก้ปัญหาเป็นสําคัญไม่ใช่คะแนนจากคําถามเล็กน้อยที่นําไปสู่ประเด็นใหญ่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 ถึงวาระของข้าพเจ้าที่จะแก้ข้อกล่าวหาของท่านเชิญท่านเรวัตตะข้าพเจ้าจะแก้ข้อกล่าวหาของท่านล่ะนะวีระสีหะแก้ข้อกล่าวหามาได้เลยเลวัตตะ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 ปัญหาแรกที่ข้าพเจ้าจะถามก็คือว่าพระสาวกของพระบรมศาสีาสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะที่เป็นภิกษุบริษัทมีจํานวนมากใช่หรือไม่ใช่ท่านพอจะประมาณได้ไหมว่าพระภิกษุมีจํานวนร้อยจํานวนพันหรือจํานวนหมื่นข้าพเจ้าไม่ทราบจํานวนแน่นอนแต่เข้าใจว่าจะมีจํานวนเป็นหมื่นคําตอบของท่านถูกต้องทีเดียว